วันนี้ถือเป็นกรณีพิเศษจะนำผลงานของอาจารย์วสินที่เคยได้นำมาอ่านสู่กันฟังแต่ยังไม่จบเหลืออยู่ตอนที่สี่ภาคที่สี่ก็เลยจะเอามาอ่านสู่ฟัง จะได้แง่คิดข้อคิดหลายๆอย่างซึ่งเราไม่มีโอกาสได้ไปค้นคว้าศึกษาในปะไติปิดกทั้งหมดอายผู้มีความสามารถเข้าใจในภาษาโดยเฉพาะภาษาบาลีแปลมาเป็นภาษาของเราภาษาไทย ให้เกิดความสะดวกในการศึกษาแล้วก็มีแง่คิดข้อคิดหลายๆอย่างแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติหรือไปประกอบในการดำเนินชีวิตได้จริงด้วย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 บทนี้จักได้แสดงรรมกักรถาสืบต่อไปจงผ้าการตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเธรรมบทเล่มที่สว่าด้วยผู้ตั้งอยู่ในธรรมหนึ่งผู้มีปัญญาคุ้มครองธรรม พระพุทธภาษิตณเตณโหติธรรมทโถเยนถังสหาสาะเยโยจะถังอนัตถันจะอุโภนิเฉยยะปันดิโตอสหาหเสนธรรมเมณสเมณณยติเรธรรมมัสกุตโตเมทาวีธรรมทโถติปะวุจจติ แปลว่าบุคคลที่ตัดสินความโดยผลผลันไม่ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิตวินิจฉัยความทั้งสองได้ถูกต้องว่าอะไรเป็นคดีอะไรไม่เป็นคดีแนะนำคนทั้งหลายอื่นไปโดยธรรมโดยสุจริตไม่ผลผลันผู้มีปัญญานั้นเป็นผู้คุ้มครองธรรมเรียกว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม อธิบายความว่าการวินิจฉัยความเป็นหน้าที่ของผู้พิพากษากระทาในานามของพระราชาหรือพระมหากษัตริ์ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษานั้นเป็นผู้ที่เป็นที่ไว้วางพระราชาธิไตยของกษัตริย์ให้ทำหน้าที่แทนพระองค์เมื่อรับคดีไวแล้วถ้าวินิจฉัยตัดสินความโดยผนพลัน ไม่ไตรตรองด้วยดีทําคนผิดให้ถูกทําคนถูกให้ผิดอย่างนี้เรียกว่าไม่ตั้งอยู่ในธรรมผู้พิพากษาที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมนั้นเป็นอันตรายมากเพราะโดยตําแหน่งแล้วเป็นผู้รักษาความยุติธรรมถ้าผู้รักษาความยุติธรรมไม่ยุติธรรมเสียเองแล้วประชาชนจะไปพึ่งใครทํานองเดียวกันถ้าผู้พิทักษ์สันติราช เบียดเบียนราษฎรสท้เองแล้วราษฎรทั้งหลายจะได้ใครช่วยพิทักษ์สิ่งที่ทำให้ผู้พิพากษาเสียความยุติธรรมที่มองเห็นกันชัดอยู่อย่างหนึ่งก็คือสินบนเมื่อกินสินบนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตาช่างแห่งความยุติธรรมก็เริ่มเอียงเพราะฉันทาคติคือลำเอียงเพราะชอบในผู้ให้สินบนส่วนผู้ ไม่ได้ให้ศินบนก็กลายเป็นฝ่ายต้องรับเคราะกรรมทั้งๆ ท, ท, ที่ตนเป็นฝ่ายถูกผู้พิพากษาบางคนก็ลำเอียงเพราะไม่ชอบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรียกว่าโทสาคติบางคนลำเอียงเพราะกลัวอำนาจอิทธิพลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรียกพยาคติและบางคนลำเอียงเพราะความหลงหรือรู้เท่าไม่ถึงการ ผู้โลภอยากได้สินบนและผู้มีอคติสี่ไม่ควรเป็นผู้ตัดสินความหรือไม่ควรเป็นผู้พิพากษาในวินิจฉัยสำหรับภิกษุสงฆ์พระพุทธเจ้าก็ทรงวางระเบียบวายเหมือนกันว่าผู้ที่จะวินิจฉัยอธิกรนั้นจะต้องเป็นภิกษุที่ปราศจากอาคติสี่รู้ว่าอะไรเป็นอธิกรอะไรไม่เป็นอธิกรส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิตรู้ว่าอะไรเป็นคดี อะไรไม่เป็นคดีวินิจฉัยความได้ถูกต้องโดยไม่ผลุนผลันแต่วินิจฉัยไปโดยธรรมโดยสุจริตไม่กินสินบนผู้นั้นเรียกว่ามีปัญญาคุ้มครองธรรมเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมรวมความว่าผู้พิพากษาจะต้องมีธรรมะมีความสุจริตใจถ้าเป็นอย่างนี้ได้ชื่อว่าได้ช่วยการรักษาธรรมไว้ในโลกช่วยกันคุ้มครองธรรมและ ผู้ประพฤติธรรมไม่ให้อธรรมมามีอำนาจเหนือธรรมเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภมหาอามาตผู้วินิจฉัยมีเรื่องย่อดังนี้วันหนึ่งพวกภิกษุเที่ยวไปบินทบาทในบ้านใกล้ประตูด้านทิศอุดรของเมืองสาวัตถีกลับจากบินทบาทแล้วเดินทางกลับ เศตวันทางกลางนครพอดีฝนตกหนักภิกษุเหล่านั้นจึงเข้าไปพักที่ศาลาวินิจฉัยความได้เห็นพวกอมสาธผู้วินิจฉัยความรับสินบนทมเจ้าของทรัพย์ไม่ให้เป็นเจ้าของทมคนผิดให้เป็นคนถูกคนถูกให้เป็นคนผิดจึงคิดว่าโอ้กรรมหนักเราเคยคิดว่าอมสาธพวกนี้เป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม แต่ความจริงเขาไม่มีธรรมไม่ตั้งอยู่ในธรรมเลยเมื่อฝนหายแล้วภิกษุเหล่านั้นมาเฝ้าพระศาสดากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบ พ, พระทศพลตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกอมสาตผู้วินิจฉัยตกอยู่ในอคติมีชันทาคติเป็นต้นตัดสินความโดยผลผลันไม่ตั้งอยู่ในธรรมส่วนผู้ไต่สวนความตัดสินความโดยละเอียด ละ อ, อตามสมควรแก่ความผิดนั่นแหละชื่อว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรมดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกขึ้นไว้เบื้องต้นนั้นแล้วว่าบุคคลที่ตัดสินความโดยผลพลันไม่ชื่อว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรมเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นอันนี้เกี่ยวข้องกับการตัดสินคดีความเนี่ย ซึ่งเรื่องลักษณะนี้ก็มีคู่กับโลกมาทุกยุคทุกสมัยเนะี่ยตั้งแต่มนุษย์เกิดขึ้นมาใช่ไหมก็คงจะมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นแต่ในยุคแรกๆ ก, ก็คงจะไม่สู้กระไรนะในยุคที่คนมีศีลมีธรรมแต่เมื่อกิเลสมันครอบงำนะด้วยโลภโกรธหลงนะนะอารรมครอบงำในจิตใจสถานการ์นะนะ ตัดสินคดีความต่างๆก็เลยเกิดขึ้นไปตามอำนาจของโลภะโทสะหรือโมหะหรือเรียกโดยธรรมะว่าอำนาจของอคติคือมีชั้นทาคติเป็นต้นดังที่ท่านได้อธิบายนั้นเนี่ยสถานหาผู้ที่จะมีความยุติธรรมจริงๆเหมือนจึงเป็นสิ่งที่ยากนะตราบใดคนละเลยต่อศีลธรรม ต่อธรรมะเนี่ยจะหาความสุจริตใจคงจะยากอยู่เหมือนกันนีก็จะลอํานาจความโลภโกรธหลงอยู่อย่างนี้เรื่อยไปเนี่ยอาจารยผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนคนทั่วไปจึงควรมีธรรมหรือควรประพฤติธรรมเนี่ยให้เป็นที่พึ่งที่อาศัยของผู้ที่เขาเดือดร้อนจึงชื่อว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรม อันนี้ก็เป็นข้อคิดภาสิทธ์เนี่ยข้อแรกสองผู้เป็นบัณฑิตพระพุทธภาสิทธะนะเตนะปันดิโตโหติยาวตาภะหูพาสติเขมีอเวรีอภโยปันดิโตติปวุธจติแปลว่าบุคคลชื่อว่าเป็นบัณฑิตเพราะเหตุที่พูดมากก็หาไม่ได้ ผู้ใดเป็นผู้กเกษมไม่มีเวรไม่มีภัยผู้นั้นเรียกว่าเป็นบัณฑิตอธิบายว่าคนพูดมากคือคนที่แม้ไม่มีเรื่องอันควรจะพูดก็พูดหนึ่งและคนที่หมดเรื่องอันควรจะพูดแล้วก็ไม่หยุดพูดหนึ่งส่วนคนพูดน้อยเกินไปก็คือคนที่มีลักษณะอันตรงกันข้ามกับคนพูดมากคือมีเรื่องอันควรจะพูดก็ไม่พูดหนึ่ง ยังไม่หมดเรื่องอันควรจะพูดก็หยุดพูดเสียหนึ่งส่วนคนพูดพอประมาณนั้นคือคนที่มีเรื่องอันควรจะพูดก็พูดหนึ่งหมดเรื่องที่ควรจะพูดแล้วก็หยุดพูดหนึ่งคนพูดมากกับคนพูดเก่งนั้นไม่เหมือนกันคนพูดเก่งคือคนรู้จักพูดให้ถูกกาละเทสะบุคคลและเรื่องราวควรพูดก็พูดควรฟังก็ฟังพูดเป็นที่ถูกหูถูกใจของคนอื่น ส่วนคนพูดมากไม่ประกอบด้วยลักษณะนี้เขาอยากจะพูดก็พูดไปเรื่อยๆหาเรื่องมาพูดได้เสมอแต่ไม่สนใจว่าใครจะอยากฟังหรือไม่อยากฟังเรื่องที่พูดนั้นเป็นประโยชน์แก่ใครบ้างหรือไม่เป็นผู้ฟังมีความสุขจากการฟังเขาพูดหรือไม่ไม่สำคัญสัมพันธ์ตรงที่เขาได้พูดอย่างที่สำนวนไทยว่ากันว่าพูดน้าท่วมทุ่งไม่มีเนื้อหาสาระอะไร คนจะเป็นบัณฑิตเพราะเหตุที่พูดมากนั้นหาวิได้ผู้ใดเป็นผู้กเกษมเป็นผู้ไม่มีเวรเป็นผู้ไม่มีภัยผู้นั้นแหละพระพุทธเจ้าตรัสยกย่องว่าเป็นบัณฑิตผู้กเกษมคือท่านผู้ปลอดโปรง่งเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งไรๆว่าเป็นตัวตนหรือของตนและมองโลกโดยความเป็นของว่างเปล่ายึดถืออะไรไม่ได้ ความปลอดโปร่งเกิดจากความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี้ผู้ไม่มีเวรคือท่านผู้ไม่ได้ทําเวรหไว้กับใครๆในที่ไหนไหนเวรหคือการฆ่าหนึ่งการลักขโมยหนึ่งการประพฤติผิดในกามหนึ่งการพูดเท็จหนึ่งการดื่มสุราจนเมาไม่หนึ่งผู้ไม่มีภัยเพราะเหตุที่เป็นผู้ไม่ได้ก่อเวรไว้จึงเป็นผู้ไม่มีภัยในที่ไหนไหน เอาธรรมนั่นแหละเป็นเกราะเครื่องป้องกันตนบุคคลผู้ปลอดโปรง่งไม่มีเวรไม่มีภัยพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นบัณฑิตพระาศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้ขณะประทับอยู่ที่พระเชตตวนารามทรงปรารพิกษุฉัพพคีมีเรื่องย่อดังนี้ได้ยินว่าพวกพิกษุฉัพพคีคือพวกหกคนเหล่านั้นเที่ยวทาโรงอาหารให้สกรปรก รกรุงรังอากูลในวัดบ้างในบ้านบ้างวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายได้ถามพวกภิกษุหนุ่มและสามเณรผู้ทำวัตกิจในบ้านแล้วมาว่าผู้มีอายุโรงอาหารเป็นอย่างไรบ้างภิกษุหนุ่มและสามเณรตอบว่าอย่าถามเลยท่านพวกภิกษุฉับพกีเที่ยวกล่าวอยู่ว่าพวกเราเป็นผู้ฉลาดพวกเราเป็นบัณฑิต พวกเราจากประหารภิกษุเหล่านี้จากโปรยอยากเยื่อลงที่ศีรษะแล้วนำออกไปดังนี้แล้วจับหลังพวกกระผมโปรยอยากเยื่อลงทาโรงอาหารให้สกรปรกลกกรุงรังภิกษุทั้งหลายนำเรื่องนี้ขึ้นกราบทูกุลพระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เรียกคนที่พูดมากเบียดเบียนผู้อื่นว่าเป็นบัณฑิตแต่เราเรียกคนที่เกเสไม่มีเวรไม่มีภัย ว่าเป็นบัณฑิตดังนี้แล้วตรัสพคาถาซึ่งยกไวณเนะบื้องต้นนั้นแล้วว่าบุคคลชื่อว่าเป็นบัณฑิตเพราะเหตุที่พูดมากก็หาไม่ได้เป็นอาทิมีนยะดังปนานนามาแล้วแต่ต้นอันนี้ก็เกี่ยวกับการพูดเ่เรื่องการพูดนี้สำคัญเหมือนกันนี่ต้องเรียนรู้เป็นพิเศษเหมือนกั น, นการพูดพูดอย่างไรน ถึงจะไม่เป็นที่เบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นหรือพูดอย่างไรจะให้เกิดความรักจริงๆในเรื่องนี้พระเถระหรือว่าสาวกแต่ก่อนท่านก็วางหลักไว้อยู่แล้วเรียกว่ากระถาวัตถุถ้าอยากจะพูดก็พูดอยู่ในกระถาวัตถุหรือพูด รวมเรียกก็ในสิ่งที่ให้เกิดประโยชน์หรือสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลนี่ยซึ่งลักษณะของการพูดนี่ท่านก็บอกไว้ดังที่เราได้ฟังนั่นแหละเนี่ยคนที่ชอบพูดไม่มีเรื่องอันควรจะพูดก็พูดอยู่นั่นแหละเนี่ยหรือหมดเรื่องที่จะพูดแล้วก็พูดไม่หยุดเนี่เป็นลักษณะของคนพูดมากมีเรื่องพูดอยู่เสมอเนี่ย นี่ยว่าน้ำท่วมทุ่งจริงๆเนี่ยเว่าไม่ได้สาระอะไรเนี่ยบางครั้งความพูดมากก็ทาเป็นอันตรายต่อตนเองด้วยเนี่ยเนี่ยท่านต้องมีภาษิตว่าปลาหมอตายเพราะปากเนี่ยปากมันไม่อยู่เป็นสุขมันก็เลยนี่นำทุกโทษมาให้แก่ตนเองเนี่ย นี่แต่ในภาษิตนี้ท่านว่าลักษณะคนพูดมากแล้วเราไม่ได้เรียกว่าบัณฑิตเนี่ยคนรู้จักกาละเทสะในการที่ควรพูดเนี่ยนั้นท่าเรียกว่าบัณฑิตลักษณะของการพูดพระพุทธเจ้าท่านก็วางหลักไว้อยู่แล้วลักษณะของการพูดนในคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์หรือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์นี่ก็เลือกจะมีว่า เรื่องไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เนี่ยนี่พูดในฝ่ายฝ่ายที่ไม่จริงไม่แท้นะฝ่ายที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เนี่ยและไม่เป็นที่ชอบใจของคนฟังนะหรือไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่เป็นที่พอใจของคนฟังมันก็มีเหมือนกันนะ เรื่องไม่จริงคนชอบฟังก็มีเรืสาระฟังทั้งวันก็ไม่ได้สาระอะไรหรอกอย่างฟังตลกฟังอะไรก็ไมปได้สาระเหมือนกันนะสุขไปวันๆแต่ไม่ได้คติอะไรจากนั้นเลยนะี่บางทีก็ก็เก็บเรื่องอที่มันไม่มีความจริงในนั้นเลยมาพูดแ ต, แต่คนก็ชอบลักษณะนี้แม้เป็นอย่างนั้นอาจารย์ว่าก็ไม่ควรพูด เพราะมันไม่จริงไม่แท้ไม่ชอบก็ไม่ต้องพูดถึงก็ไม่ควรพูดโดยส่วนเดียวทีนี้ในส่วนที่เป็นเรื่องจริงเรื่องแท้ที่ประกอบด้วยประโยชน์เนี่ยคนไม่ชอบฟังก็มีเนี่ยเหมือนกล่าวธรรมะนี่แหละพูดธรรมะเป็นเรื่องดีเรื่องจริงเรื่องมีประโยชน์เนี่ยคนไม่ชอบฟังก็มีเนี่ยจะเห็นว่าบางคนเขาไม่ชอบฟังเวลาพูดธรรมะเนี่ยคุยกัน zoom z งเ m จะเห็นบ่อยใช่ไหม วัดเราก็มีบ้างอยู่เหมือนกันตอนเช้าถ้าคนแปลกใหม่มาไม่เคยมาก็ ค, คนไม่ได้ใส่ใจในธรรมไม่สนใจในธรรมท่านบอกว่าถ้าเป็นลักษณะนั้นก็ไม่ควรพูดเนี่ยแต่บางครั้งครูบาอาจารย์ก็ต้องสุ่มดูนถ้าคนมานี่มีคนสนใจมากน้อยแค่ไหนน้อเนี่ยที่จะฟังธรรมเนี่ยดูอากับกิริยาต่างๆก็รู้จักรู้จักว่าเขาสนใจหรือไม่สนใจเนี่ย ถ้าไม่ใส่ใจก็เปล่าประโยชน์ก็ไม่ไม่ควรพูดไม่ควรแสดงเสียเวลาเปล่าเนเหมือนเปล่าปีใส่หูควายท่ยนะันนั่นคือจริงแท้ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นที่ชอบใจของคนฟังแ้่ที่จริงแท้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นที่ชอบใจของคนฟังถึงกระนั้นก็ให้รู้จักการเวลามีการมีเวลาเหมือนกันนะ บางทีมันก็เบื่อได้เหมือนกันถ้าไม่รู้จักการเวลาเนี่ยดีอยู่แต่ว่าถ้าไม่เป็นการไม่เป็นเวลาเนี่ย พ, พั่มเพือมากก็ไม่ดีเนี่ยจำเจมากก็ไม่ไหวคนฟังรับไม่ได้ก็เบื่อได้เหมือนกันจากการละเทศะดังที่เคยได้กล่าวแล้วว่าเนี่ยหลักของสัพุริสธรรมนะมีการบุคคลประชุมชนเป็นต้นเนี่ยเอามาใช้กับอันนี้เนี่ย จึงจะเกิดความพอดีนะี่ยฟังแล้วกําลังอร่อยนะไม่ให้อิ่มมากนะวันอาหารเนะี่ยไม่ต้องมากถ้ามากมันเบื่อนะีอร่อยมากก็ไม่ดีนะียถ้าอร่อย น, ะน้อยๆนใะกล้จะหมดแล้วมันอร่อยเนะี่ยแต่ถ้ามันมากมันท้องมันอิ่มแล้วมันไม่อร่อยแล้วเนะนี่ยจัดนิพนธีก็คืออย่าทำมากทาแต่พอเป็นยาเจริญอาหารนะมันจะได้หิว อยู่แล้ววันหลังมาเออมันก็อร่อยอีกอะธรรมะนี่ก็เหมือนกันอย่างนี้เป็นลักษณะของการพูดรอกนะอันนี้เสริมให้จะได้คอคิด 3. ผู้ทรงธรรมพระพุทธภาสิทธะตาวตาธรรมะโรยาวตาพระหูภาสติโยจะอัปปัมปิสุตตวานะ ธรร ม, มังกายเยนปัสสติสเวธรรมะธโรโหติโยธรร ม, มังนัปมัตชติแปลว่าบุคคลชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมด้วยเหตุเพียงว่าพูดมากก็หาไม่ได้ผู้ใดฟังธรรมแม้น้อยแต่เห็นธรรมด้วยนามกายคือใจและไม่พูดมินธรรมผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรม พระพุทธภาษิตนี้ชี้บอกว่าคนที่พูดธรรมมากเรียนธรรมมากหรือบอกธรรมมากสอนธรรมมากหรือรู้ธรรมมากหาชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมไม่แต่ผู้ทรงธรรมนั้นต้องเป็นผู้เห็นธรรมด้วยใจและไม่ดูหมิ่นหรือไม่ประมาทธรรมผู้เช่นนั้นแม้จะฟังธรรมเพียงเล็กน้อยแต่เข้าใจอัทธรสรงธรรมเป็นผู้ ทรงธรรมในความหมายว่าเป็นผู้มีธรรมในใจเห็นธรรมคืออริยสัจสี่ด้วยนามกายคือใจแล้วเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารทรงปรารบพระเอกอุทานเทระมีเรื่องย่อดังนี้พระเทระนั้นอยู่ในราวไพรแห่งหนึ่งเพียงรูปเดียว คำอุทานที่ท่านเปล่งอย่างช่ำชองมีอุทานเดียวเท่านั้นคือบุคคลผู้มีจิตมั่นคงไม่ประมาทเป็นบุญีศึกษาในทางแห่งโมเนยะปฏิบัติคือข้อปฏิบัติของผู้รู้ผู้สงบผู้คงที่ระ ง, งับกิเลสได้แล้วมีสติทุกเมื่อย่อมไม่มีความโศก ในวันอุโบสถทุกครั้งท่านเปล่าร้องการฟังทำเองแล้วกล่าวคาถานี้ทุกครั้งเสียงเทวดาสาธุการประหนึ่งว่าแผ่นดินจะสุดครั้นต่อมาในวันอุโบสถวันหนึ่งภิกษุผู้ทรงพระไตรปิฎกสองรูปมีบริวารรูปละมากๆได้มาสู่ราวภัยอันเป็นที่อยู่ของพระเอกูทานเถระนั้น ท่านดีใจที่เห็นพระผู้ทรงพระไตรปิฎกทั้งสองมากล่าวว่าดีจริงหนอที่ท่านมาวันนี้ผมจะขอฟังธรรมของท่านก็ที่นี่มีคนฟังธรรมหรือพระเทระทั้งสองถามมีครับเจ้าของถิ่นตอบในราว์ไพรนี้เมื่อมีการแสดงธรรมเทวดาจะสาธุ ก, การบรรลือลัน่นเป็นเสียงเดียวกันพระหนึ่งว่าแผ่นดินจะสุด พระเถระผู้ทรงพระไตรปิฎกทั้งสองรับอาราธนาแล้วถึงเวลาแสดงธรรมรูปหนึ่งสวดธรรมอีกรูปหนึ่งกล่าวธรรมเทวดามิได้ให้สาธุการเลยแม้แต่องค์เดียวคือไม่ได้มีเทวดาองค์ใดให้สาธุการเลยภิกษุสองรูปนั้นจึงกล่าวว่าผู้มีอายุท่านพูดว่าในวันฟังธรรมพวกเทวดาในราวไพรย่ยอมให้สาธุการด้วยเสียงอันดัง นี่ไม่เห็นมีอะไรเลยเงียบกริบพระเอกุทานกล่าวว่าในวันอื่นๆเป็นอย่างนั้นขอรับแต่วันนี้กระผมไม่ทราบว่าเพราะเหตุไรจึงไม่มีเสียงสาธุการเลยถ้าอย่างนั้นท่านจงกล่าวทำดูก่อนภิกษุทั้งหลายขอร้องเมื่อพระเอกุทานกล่าวคาถาเดิมนั่นแหละเทวดาได้สาธุการด้วยเสียงอันดังลั่นอย่างเคย ภิกษุผู้เป็นบริวารของพระเถระทั้งสองฝั่งแล้วยกโทษว่าพวกเทวดาให้สาธุการเพราะเห็นแก่หน้าเมื่อภิกษุผู้ทรงพระไตรปิฎกกล่าวธรรมอยู่ประมาณเท่านี้เท่านี้เทวดามิได้กล่าวสรรเสริญเลยแต่เมื่อพระเถระแก่องค์นี้กล่าวคาถาหนึ่งเท่านั้นเทวดาพากันให้สาธุการด้วยเสียงอันดังภิกษุทั้งหลายได้ทูลข้อความนี้แด่พระศาสดา พระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่ได้เรียกผู้เรียนมากกล่าวธรรมได้มากว่าเป็นผู้ทรงธรรมส่วนผู้ใดเรียนคาถาแม้คาถาเดียวแล้วเป็นผู้แทงตลอดสัจจะทั้งหลายผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้พรนณ า, ามาแล้วแต่ต้นอันนี้ก็เป็นข้อคิดอีกอันหนึ่งนี่ ซึ่งครูบาอาจารย์โดยเฉพาะในสายการปฏิบัติเนี่ยท่านก็จะเน้นในเรื่องการปฏิบัติไม่เรียนมากก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้มีศรัทธามีความเพียร เ, เข้าใจหัวข้อธรรมสักข้อหนึ่งอย่างเราเรียนธ ร, รมอาจจะเรียนเรื่องอริยสัจสี่เนี่ยข้อนี้แล้วก็นำไปภาวนาพิจารณานจน รู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจนั้นนั้นท่านถือว่าเป็นผู้ทรงธรรมเนี่ยผู้แทงตลอดแทงธรรมเนี่ยลักษณะนี้เทวดาทั้งหลายก็สรรเสริญอย่าว่าแต่มนุษย์เลยเนี่ยจะแสดงว่าเทวดาทั้งหลายท่านก็รู้เนี่ยแม้จะเรียนมากแตกฉานมากเนี่ยแต่ว่าละเลยต่อการปฏิบัติเนี่ย ไม่ได้เกิดประโยชน์แก่ตนเองตอนเองไม่รู้ในอัตในธรรมในสิ่งที่ตนเรียนตนรู้นั้นน่ก็ปราบประโยชน์เนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อคิดสำหรับผู้ปฏิบัติ 4. ผู้เป็นเทระพระพุทธภาสิทธนะเตนะเทโรโหติเยนัสสะปริตังสิโร ปริปักโกวโยตัสสะโมคะชินโนติวุจติยัมหิสัจจันจะธรรมโมจะอหิงสาสัญญโมทโมสเววันตะมโรทีโรโสเทโรติปวุจติแปลว่าบุคคลจะเรียกว่าเป็นเทระเพราะเหตุสักว่ามีหงอกบนศรีรษะหามิได้ผู้มีวัยแก่ เรียกว่าแก่เปล่าก็ได้ส่วนผู้ใดมีสัจจะมีธรรมะมีความไม่เบียดเบียนมีความสำรวมตนและมีการฝึกตนผู้นั้นแลเป็นปาฏคายมนทินได้แล้วสมควรเรียกว่าเป็นพระเถระอธิบายความว่าตามนิยะแห่งพระคาถานี้ทรงแสดงพระเถระโดยคุณธรรมโดยนิยนี้แม้ผู้มีอายุถึงร้อยปี บวชแล้ว8 0สิพรรษาแต่ไม่มีคุณธรรมอันสมควรก็หาชื่อว่าเป็นพระเทระไม่เป็นคนแก่เสียเปล่าส่วนผู้ใดแม้ยังหนุ่มมีเกษาดําสนิทแต่มีคุณธรรมผู้นั้นชื่อว่าเป็นพระเทระคุณธรรมที่ทรงระบุถึงในที่นี้คือสั จ, จธรรมะอหิงสาสัญญะธรรมะและการคลายมนถิน สัจจะนั้นคือมีความจริงกายจริงวาจาจริงใจจริงกายนั้นคือประพฤติสิ่งใดก็ให้ได้จริงจริงวาจานั้นคือพูดอย่างใดทําได้อย่างนั้นไม่เลาะแหลจริงใจนั้นคือมีความสุจริตต่อบุคคลอื่นไม่มีเจตนาหลอกลวงให้เขาเข้าใจผิดอีกอย่างหนึ่งหมายถึงผู้แทงตลอดอริยสัจสี่แล้วธรรมนั้นหมายความ เอาความยุติธรรมเว้นอคติสี่และหมายเอาพรมวิหารธรสี่ประการอันเป็นธรรมของผู้ใหญ่อหิงสาคือความไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายอื่นเพราะเอาใจเขามาใส่ใจเราว่าเรารักสุขเกลียดทุกชั้นใดคนอื่นสัตว์อื่นก็ชั้นนั้นทุกรูปทุกนามมีความรักตนสูงสุด ผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นสัญญะคือความสํำรวมตนไม่ขนองกายว่าจะมีความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นนิสยัยไม่เย่อหยิ่งจองหองยกตนข่มท่านหรือเห็นคนอื่นเร็วกว่าตนไปเสียหมดธรรมะแปลว่าการฝึกตนโดยความหมายถึงการสํำรวมอินสี่หกคือระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจ ไม่ให้ความยินดียินร้ายครอบงำได้เมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นคำว่าคายมนทินนั้นหมายถึงมนทินก้ามีความริษยาความตระหนี่เป็นต้นไม่มีมนทินเหล่านั้นอยู่ในตนเพราะได้คายเสียแล้วเหมือนงูที่คายพิษออกหมดแล้วผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติดังกล่าวนี้ชื่อว่าเป็นพระเถระตามความหมายนี้ ไม่ใช่เป็นคนโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะเกิดนานเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันวิหารทรงปรารบพระระกุลดกพัทยเถระมีเรื่องย่อดังนี้วันหนึ่งพระเถระนั้นมาสู่ที่บำรุงพระศาสดาพอท่านลุกขึ้นไปก็มีภิกษุ ผู้อยู่ป่าเป็นวัดประมาณ30สรูปเข้าเฝ้าพระษาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหัตตผลของพระเถระเหล่านั้นแล้วตรัสถามว่าพวกเธอเห็นภิกษุรูปหนึ่งเดินออกไปหรือไม่ไม่เห็นพระเจ้าค่าพวกเธอเห็นพระเถระรูปหนึ่งมิใช่หรือเห็นเห็นแต่สามเณร เ, เดินออกไปพระเจ้าค่านั่นแหละพระเถระรูปหนึ่งาาสดาสงย้า เด็กเลอะเกินพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเราไม่เรียกภิกษุว่าเป็นเถระเพราะเหตุที่เป็นคนแก่หรือเพราะนั่งบนอาสนะของพระเถระแต่ผู้ใดแทงทะลุสัจจะทั้งหลายตั้งอยู่ในความไม่เบียดเบียนเราเรียกผู้เช่นนั้นแหละว่าเป็นพระเถระดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นกล่าวแล้วในเบื้องต้นว่าณนะเตณเถโรโหติเป็นอาธิ ถามว่าบุคคลจะเป็นเทระเพราะเหตุที่มีผมงอกบนศีสหามิได้มีนัยยะรังพน า, นามาแล้วแต่ต้นในเวลาจบพระธรรมเทศนาภิกษุเหล่านั้นได้บรรลุอรหัตผลอ่านี่ก็เป็นข้อเตือนใจอีกอันหนึ่งเนี่ยธรรมะนี้ไม่เฉพาะเจาะจงแต่สาธารณะทั่วไปถึงญาติโยมด้วยเหมือนกัน ดันั้นความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยแต่ในในทางพระธริวะเนี่ยความเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่ว่าเกิดนานอายุมากหรือผมหอกบนศรีรษะเท่านั้นเนี่ยแต่พตระองค์ทรงหมายถึงต้องมีคุณธรรมด้วยตรงกันข้ามเด็กแม้เป็นเด็กแต่ว่ามีคุณธรรมของผู้ใหญ่ มีฮิริมีโอตตะปะเป็นต้นเนี่ยมีความละอายต่อความชั่วแล้วยินดีในการกระทำความดีเนี่เป็นคนที่พูดมีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลเนี่ยไม่พูดเลาะและเลวไหลเนี่เป็นลักษณะของผู้ใหญ่แม้เขาเป็นเด็กแต่คุณธรรมของเขาเ น, นเป็นผู้ใหญ่นี่ลักษณะนี้แหละท่านเรียกว่าเป็นเทระ หรือเป็นผู้ใหญ่ในความหมายของธรรมก็โวนแต่เป็นข้อคิดดีๆนะ